สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุที่น่าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่หากว่าภิกษุเพลิดเพลินชมเชยถือยึดถือรูปนั้นตั้งอยู่ด้วยอำนาจตันหามานะเนี่ยนะหรือด้วยอำนาจตันหาทิฏก็ตั้งอยู่นั่นแหละเนี่ย เสียงกลิ่นรถโพธพภะธรรมรมเนี่ยนะที่เพิ่งรู้แจ้งด้วยมโนที่หน้าปราถนาหน้าใคร้หน้าพอใจประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดมีอยู่หากภิกษุเพลิดเพลินชมเชยยึดถือธรรมะนั้นตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ด้วยอำนาจของตันหากับทิฏฐินั่นเองเยนะมันเข้าไปตั้งหมดนะนะก็ของดีๆเนี่ยนะโอ้ยัตว์เนี่ยไปชช่นชมกันใช่ไหม ถ้าที่ไหนดอกไม้สวยๆนะก็จะมีผู้จรไปดูเรื่อยนะภาพจิตรกรรมสวยๆวิวสวยๆที่ไหนเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆเนี่ยนะก็จะมีสัตว์เนี่ยเที่ยวไปโคจร อ, อยู่แถวๆนั้นนะ่นะก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแหละด้วยอํานาจตันหากระกับทิฐิพอตันหาทิฐิเกิดขึ้นโทสะโมหะมานะวิจิกิชฌาอนุสัยกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยก็เกิดขึ้นมาบานเลยท่วมทับอยู่นันะ่นแหละแล้วก็อันทะี่จริงนะสัตว์ก็ตั้งอยู่เนี่ยไม่ไม่มีพ้นอ่ะนะ ไม่ตั้งอยู่ในรูปก็ตั้งอยู่ในเสียงนั่นแหละแปลว่าทาไม่รู้รูปขณะนั้นถ้าไม่ใส่ใจในเรื่องรูปก็ใส่ใจในเรื่องเสียงไม่ใส่ใจในเรื่องเสียงก็เรื่องเป็นไม่เรื่องเป็นก็เรื่องรดไม่เรื่องรดก็เรื่องโพธาภาไม่โพธาภาก็ธรรมารมณ์มันก็คิดอยู่6เรื่องเท่นี้แหละวนอยู่นั่นแหละวนน่ะนะอารมณ์6จริงอ่ะแต่ก็วนเรื่องอำนาจกิเลสน่ะนะราคะวนบ้างในอารมณ์6แหละโทสะมาวนบ้างในอารมณ์6โมหะวนอยู่บ้างในอารมณ์หบางครั้งก็เป็นกุศลแต่ว่าแหมน้อยมาก แต่ก็ในที่สุดอกุศลก็อกุศลก็เกิดขึ้นมายึดกุศลอีกต่อไปเนี่ยนะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงรูปนะวิญญาณก็คือโลภะแปดวงเนี่ยนะโลภะแปดดวงที่ที่มีรูปเป็นอารมณ์หมายถึงรูปปัจขันเนี่ยนะเมื่อตั้งอยู่ย่อมมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้ง ซ่องเสพเพลิดเพลินตั้งอยู่ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบุญ น, นะพอคิดถึงรูปปั๊บเนี่ยนะชวนะเนี่ยคิดเท่าไหร่เอะว่าคิดถึงบ้านเนี่ยนะถามว่าใช้เวลาคิดกี่ชั่วโมงอ่ะกว่าจะเป็นบ้านหลังหนึ่งคุณผูโอ้ยมากเลยเว้โอ้มากนะถรถอ่ะโอยใช้เวลาอยู่กับคิดเรื่องรถเนี่ยกี่ชั่วโมงอ่ะนะใช้ว่ า, ใ ช, วาใช้วิญญาณเนี่ยไปคิดเท่าไหร่เอะเรื่องที่ทํางานเนี่ยนะใช้จิตไปรับรู้อ่ะตั้งอยู่ที่นั่นเท่าไหร่ใช่ไหม นะภายนอกอีกแล้วคนที่รู้เรารู้จักแต่ละคนเนี่ยนะเราเอาเรื่องของเขามาคิดคนละกี่ชั่วโมงเอาอย่างนะคนกใกล้ตัวเลยนะเช่นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกหลานคนงานข้าทาสกรรมกรเลือกสวนไร่นาแต่ละอย่างนี่เอามาคิดเนี่ยนะชีวิตของเราเนี่ยหมดไปเยอะนะกับการรับอารมณ์เหล่านั้นเหล่านั้นเหล่านั้นแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็ไม่มากเท่ากับเรื่องข้างในร่างกายของตัวเองเนี่ยนะ เอาเรื่องของตัวเองเนี่ยมาคิดเนี่ยนะว่าเราจะไปยังไงไปอยู่ที่ไหนไปกินอะไรไปดูอะไรไปเห็นอะไรไปทานอะไรไปสุขไปทุกข์ยังไงนะก็ตั้งคิดในเรื่องรูปของตัวเองนะเพราะฉะนั้นจิตทั้งหลายเนี่ยเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในที่รูปคือรูปประคันดูความพิสูจน์ทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงเวทนาเนี่ยนะ เม <ME> ื่อตั้งอยู่ย่อมมีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งซ่องเสพเพลิดเพลินตั้งอยู่ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูร์เนี่ยนะก็คือตั้งอยู่ในเวทนาใช่ไหมคิดแต่เรื่องเวทนาคิดถึงความสุขที่เคยมีอ่ะนะคิดถึงความทุกข์ที่เคยสัมผัสเนี่ยนะมันก็คือคิดถึงเวทนาที่ตัวเองมีอ่ะนะอันความคิดของเราเมื่อมันคิดมันก็คิดถึงเรื่องความสุขความทุกข์นั่นแหละหรือวิญญาณที่เข้าถึงสัญญาคิดถึงเรื่องสัญญานะี คิดถึงอะไรเช่นมีรูปประสัญญาบ้างคิดถึงสีที่เคยเห็นเนี่ยนะด้วยอำนาจรูปประสัญญาสัทธาสัญญาคันท่สัญญานะความจําในรูปความจําในเสียงความจําในกลิ่นความจําในรสความจําในโพธิภาพความจําในธรรมารมณ์อะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเนี่ยก็คิดถึงไอ้ความจําของตัวเองที่เราเคยรับเคยจำเคยรู้เคยไปสําคัญหมายเนี่ยนะวิญญาณที่เข้าถึงสังขารสังขารก็คือนึกถึงเจตสิกอื่น ๆ, ๆเช่นนึกถึงภาษะ ภาษาเจตสิก ค, คิดถึงเจตนาคิดถึงตัณหาคิดถึงวิตกวิจารณคิดถึงสติฮิริโอตปะเป็นต้นนะนะก็คิดถึงสังขารคิดถึงเจตสิกแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มีอยู่ในตนเนี่ยนะอันนี้แหละที่เรียกวิญญาณเนี่ย <c oughs> เข้าถึงสังขารเมื่อตั้งอยู่ <c oughs> ย่อมมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งซ่องเสพ <c oughs> เพลดิดเพลินตั้งอยู่ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์อันนะคือจิตนะจิตเนี่ยมันวิ่งไม่พ้น ขันที่เหลือหรอกมันก็วนอยู่ในรูปประคันนั่นแหละวนอยู่ในเวทนาขันวนอยู่ในสัญญาขันวนอยู่ในสังขารขันมีวันไหนมั้งเราคิดพ้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีวนอยู่เท่านี้แหละถึงจะเป็นเรื่องราวก็เรื่องราวที่อาศัยขันทั้งหลายเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นก็โหสะสมใหญ่ชาวนะทั้งหลายไว้บานเลยมันคิดว่าวิญญาณทิติเนี่ยนะวิญญาณทิติตั้งอยู่ในรูปวิญญาณทิติแปลว่าที่ตั้งนะ วิญญาณ น, นี่มันตั้งอยู่ในรูปบ้างตั้งอยู่ในเวทนาบ้างตั้งอยู่ในสัญญาบ้างตั้งอยู่ในสังขารบ้างตัวจิตเนี่ยไปตั้งอยู่ในอารมณ์ต่างๆอันนะั้นก็โดยมากก็ตั้งอยู่ด้วยอํานาจของโลภะมูลจิตแปดวงนั่นแหละนนะ้นี่พระโมโลภะโมลจิตแปดวงอนะันนั้นตัณหาทิฐิก็เท่ากับกล่าวหมดแล้วสแสดงหมดแล้วนะบาปากุศลมากอันนี้สแสดงแบบขันห้าหรือวิญญาณทิฏฐิสี่ที่เป็นกรรมวิญญาณ นี่มาดูในแง่ตันอ า, อาหารสีบังสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าว่าความกำหนัดความเพลิดเพลินความอยากมีอยู่ในกับปะลิงกระหารันวิญญาณก็ย่อมตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นเนี่ยนะก็คือคิดถึงงอกงามเนี่ยนะเช่นถ้าได้บุ้ยมาเนี่ยนะก็เพลิดเพลินคิดอยู่ในเรื่องบวยอยู่ทั้งหลายชั่วโมงด้วยกันนะนี แล้วก็คิดอยู่ตั้งเยอะนะแลเก็บไว้นี่แหละนะัะวิญญาณนี้ก็งอกงามมีบุ้ยเป็นอารมณ์อยู่ตั้งนานนะถ้ามีบุ้ยเป็นอารมณ์นะจะจุติตรงนั้นนะจะที่ไหนเนาะม่ใช่นอนอยู่ในบุย้บยหรือยุ่งเลยนะคนถ้าถามดูเถิดในอาหารที่เรียกว่ากัะเพลิงกระาหารนะที่ไหนมั่งสัตว์ไม่ไปอยู่นะที่มันกินได้อะ่ะไอใบไม้ที่มาแรงเจาะๆนั่นนะคือที่เกิดของสัตว์สัตว์เนี่กินใบไม้ เขามีบางคนก็บอกว่าถ้าใบไม้ที่เขาจะกินนะเขาสังเกตที่ว่าแมลงมันเจาะทำใบไม้ใบใบไม้ชนิดใดที่แมลงกินเนี่ยนะโดยมากคนกินแล้วไม่ตายเขาไปทอะไรเาไม่สนใจเอไม่สนใจเจะของวาไปทอะไรบอก่นี่ีแา้กเนะะมเไอ้พวกทั้งหลายเนี่ยนะผลละมากรากไม้เนี่ย คิดดูนะผลไม้ชนิดไหนบ้างที่สัตว์ไม่กินเอาตอนถ้าเพลิอเพลินในผลไม้เนี่ยเปไอเปอร์เซ็น์ที่ปฏิโนที่อยู่เป็นแมลงกินผลไม้ก็สูงบางคนไม่ชอบใบาบางคนไม่ชอบผลแต่ชอบใบเห็ ني, นไหเพราะนั้นใบใบไม้เนี่ยนะสัตว์ก็มีสัตว์ชนิดที่กินใบไมอ้อะ่ะหรือถ้าไปชอบไอ้อะไรดอกไม้นะก็มีสัตว์ที่เจาะดอกไม้อย่างเดียวอยู่กับดอกไม้เนี่ยนะ เช่นดอกแครหรือว่าถ้าเปลือกไม้อ่ะก็มีสัตว์ชนิดกินเปลือกไม้อีกหรือแก่นไม้นะก็มีสัตว์ชนิดกินแก่นไม้อีกเช่ไนไรลวกนนะหรือถ้าชอบโคนไม้รากไม้ก็เป็นพวกอะไรพวกร้วงพันพวกผลไม้อ่ไอพวกอาหารทั้งหลายนะแม้กระทั่งข้าวหรือหรือไออาหารที่ที่เรียกว่ามีวิญญาณครองเนี่ยนะพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพันถ้าไปติดในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นๆๆเนี่ยนะโอ้ ถือว่าเป็นที่เกิดใหม่นะถ้าติดในน้ําเกิดที่ไหน เ, เกิดเป็นปลาอยู่ในน้นะนําหมือนะหรือ<ม>พวกมอดกินเม็ดข้าวก็มีเนี่ยนะ ใ, นใช่เพราะนั้นทุกอย่างนะที่เป็นกับพลิตกระหานนะที่เป็นอาหารเป็นคําำเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นผักไม้ใบหญ้าผลไม้เป็นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์หรืออะไรก็ตามเถอะที่นั่นมีสัตว์เข้าไปอยู่หมดแหละ นั่นแหละเกิดจากอะไรก็เกิดจากความกำหนัดความเพลิดเพลินความอยากในกับพลินกระหานเพราะฉวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณก็ปฏิสนธิในที่นั้นได้หมดอะ่ะหรือพูดอีกง่ายๆว่าทุกอย่างเป็นอารมณ์ของภพหน้าได้หมดนั้นคนที่ติดข้องในเรื่องอาหารมากนะตายมันก็จะเพลิดเพลินติดข้องอยู่ในเรื่องอาหารอันในภาระบัณฑิตสูตรเนี่ยนะก็กล่าวถึงว่าผู้ที่ติดใจในอาหารในรสอาหารใช่ไหมถึงความติดใจในอาหารเนี่ยก็เกิดเป็นโคเกิด เกิดเป็นโคบ้างเกิดเป็นควายบ้างเป็นกระเบือเป็นกุ้งเป็นนอนหรือว่าเป็นสัตว์ต่างๆนะสัตว์ที่เกิดในที่มืดตายในที่มืดเป็นต้นถามว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากอะไรเกิดจากความเป็นพานของเขาอ่ะเขาเป็นพานเขาไม่รู้เขาติดใจในรสอาหารแล้วก็ทํากรรมด้วยอํานาจของความติดใจในรสอาหารเมื่อทํากรรมเพราะอาศัยความติดใจในรสอาหารเนี่ยนะกรรมที่ทําโดยมากก็ไม่ใช่กรรมที่เป็นบุญ เมื่อไม่ใช่กรรมที่เป็นบุญก็ไปเกิดในที่ไม่ดีมันในลหาหแห่งก็กล่าวถึงว่าแม้กระทั่งพระภิกษุที่ติดใจในรถอาหารเนี่ยนะที่ติดใจในความอริสอร่อยของรถอาหารถึงก็กล่าวอวดอุตริมนุสษษธรรมที่ไม่มีอยู่ในตนเพื่อให้เขาเอาอาหารมาให้เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งถึงอ่าเรียกว่าเที่ยวชักซื่อให้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยแต่งงานกันเนี่ยนะเขาจะได้เลื่อมใสในตนเขาจะได้ถวายอาหารแก่ตัวก็มี ตันหามันครอบงําถึงกับไปขออาหารกับคนที่ไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่เป็นปวารณาก็มีเนี่ยนะเพราะอันนี้เพราะความติดความคล้องในอาหารนั่นเองเนี่ยนะหรือบางทีทําอาหารให้สุกเองก็เป็นอบัติก็มีเนี่ยนะหรือสังสมอาหารเก็บไว้กินเองในวันต่อๆไปเนี่ยเป็นอบัติตั้งมากมายก็เพื่อเรื่องอาหารเพราะคนที่ทําบาปส่วนหนึ่งก็ทําบาปเพราะอาหารเนี่ยนะเพราะวิญญาณเนี่ยก็ตั้งอยู่ในอาหารเนี่ยตั้งอยู่ในอาหารเนี่ยขับรถก็ขับรถไปแสวงหา อาหารเนี่ยะเที่ยงเยงเนี่ยก็เลยหาร้านอาหารนะใชนั่ น, นแหละแสวงหาอาหารดูจะตั้งร้านก๋วยเตี๋ยวไหนก็ว่าไปเนี่ยนะหรือข้าวผัดกะเพราหรือไข่ดาวอะไรก็ว่าไปก็ไปตั้งได้อยู่หมดนะนะคือจะด้วยบุญหรือด้วยไม่ใช่บุญก็ตามอะ่ะก็ถือว่าวิญญาณเนี่ยไปตั้งอยู่ในกับพลิงกระหานเมื่อวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่ใดความอย่างลงแห่งนามรูปก็มีอยู่ในที่นั้นความอย่างลงแห่งรามรูปมีในที่งงใด ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีอยู่ในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีอยู่ในที่ใดความเกิดในภพใหม่ก็มีอยู่ในที่นั้นความเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นชาติชรามรณะต่อไปมีอยู่ในที่ใดดูก่อนพิสูนทั้งหลายเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความหม่นมองมีความเศร้ามองเียนะพบน้อยพบยาวทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่อาหารได้หมดเลยใช่ พราอาหารเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายไปเกิดดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเกิดแม้กระทั่งในข้าวเนี่ยข้าวสุกก็มีนอนไปเกิดอยู่ใช่ไหมข้าวสารก็มีมอดไปกินข้าวเปลือกก็มีสัตว์ไปกินเนี่ยนะทุกขนทุกแห่งในต้นไม้ทั้งหลายก็มีสัตว์ไปอยู่อาศัยเนี่ยไปเกิด เนีนะเนื่องจากอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุก็ทํากรรมเมื่อทํากรรมก็ไปเกิดอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยนะผู้ติดข้องในน้ําก็เกิดในน้ําผู้ติดข้องในบกก็เกิดในบกผู้ติดข้องในต้นไม้ก็เกิดที่ต้นไม้ผูผ lek, ผ Tokyo, ้ติดในหมาก็เกิดเป็นเห็บเป็นเหาอยู่ที่ม้านั่นแหละนีนะที่ไหนมันเกิดไม่ได้มัางเออเกิได้หมดนะเนี่ยติดในนกก็เป็นไม่รู้จะเป็นนกหรือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่อาศัยนกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าแม้กระทั่งเกิดเป็นแมลงก็มีสัตว์กินแมลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ย อันนี้แบบพูดแบบที่เห็นเหน็ะนะที่ไม่เห็นอี ก, ก่อนนรกเองนะเขาติดใจในอาหารก็ทํากรรมเป็นเหตุไปสู่นรกเนี่ยนะนะพอติดใจในอาหารไปกินของบางอย่างด้วยอํานาจมัชฉริยะตะนีเกิดเป็นเปรตก็มีเนี่ยนะนะอันกับพลงกราหารเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาสําหรับผู้ที่เพลิดเพลินในอาหารแต่เพลิดเพลินแล้วให้ทานเนี่ยนะ เพลิดเพลินในอาหารให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาก็ติดในอาหารนั่นแหละแต่ติดข้องด้วยอํานาจติดแล้วก็เป็นปัจจัยให้ทําบุญน่ยนะตัณหาเป็นปัจจัยให้ทําบุญเพราะฉะนั้นติดข้องในอาหารก็เอาอาหารนั่นแหละให้ทานก็เพื่อปรารถนาไว้กินพบต่อๆไปเนี่ยนะกินภพต่อๆไปกินพบที่เป็นมนุษย์บ้างกินพบที่เป็นไว้เป็นพบที่เป็นเทวดาเรียกว่าสุทาโภชนะบ้าง พันธาบอกว่าผู้ที่ติดใจในกับพลิงกราหานเนี่ยเท่ากับกล่าวกามภูมิสิบเ็ดเพราะว่าในกามภูมิสิบเอ็ดนี่ติดอยู่ในอาหารทั้งหมดดํารงอยู่ด้วยกับพลิงกระหานทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่ น, นรกนรกถามว่าเอาอาหารของนรกคืออะไรก็น้ําลายตัวเองกันแหละนะเปรตกรึนน้ําลายตัวเองกันแหละก็ได้อยู่เท่านั้นแนะ่ละหรือว่าอุทิศรับส่วนบุญหรือพวกเดราชาญก็อะไรมั่งที่ไม่เป็นอาหารของเดราชานมีไหมหายาก สีนะ่ะมันยังกินเลยอ่ะสีทาเนี่ยสีทาโบสถาวิหารเนี่ยมันอยู่วัดหนึ่งเนี่ยะแมลงไปกินสีอ่ะสีทาวัดเนี่ยกัดกินสีอยู่นั่นแหละแล้วมันมากมากโหมันเป็นกระสอบอะ่ะเป็นกระสอบป่านเนี่ยนะเป็นสิบสิบกระสอบป่านอนะ่ะแมลงมันมากขนาดนั้นแล้วก็พวกใบไม้เกือบทุกชนิดเป็นอาหารของสัตว์ทั้งนั้นเลยเดีย๋ยวนะพันพวกสัตว์เดรัจฉานก็กินอาหารพวกมนุษย์อะอะไรบั่งที่ไม่เป็นอาหารของมนุษย์ใช่ไหมหายากเหมือนกันนะ มนุษย์สกัดมาจนเป็นอาหารได้หมดเลเกือบทั้งหมดเลยนะกินได้เกือบทั้งหมดแหละแม้กระทั่งสีก็ยังมาปรุงประกอบเป็นอาหารเนี่ยนะหรือพวกเทวดาก็กลั่นด้วยบุญของเขาเนี่ยก็เกิดทิโพโภชนะเนี่ยนะ